กรับคารณ์ไตรแล้วก็กราบคราวว่าพระสงฆ์ทุกรูปต้ขอเจริญในสุภในธรรมญาติโยมนับปฏิบัติแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทุกคนนั่งตามสบายครับพ น, นั้นเองเรจะเห็นว่าภารกิจในเรื่องของการภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่กําลังเข้มข้นมากในเมืองไทยเพราะว่าปัญหา ต่างๆที่เขามาสู่กระแสจิตของเรานี่มันมันมากบางครั้งมันมากเกินไปจนกระทั่งเรารู้สึกมันเพลิงโดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกผ่อนคลายทําให้ร่างกายของเรารู้สึกมันเพลิงมันไม่สบายโดยหาสาเหตุไม่ได้รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยรู้สึกล้ารู้สึกท้อรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไม่สบายอยู่ลึกๆทุกคนที่มีอยู่ มาเองก็เลยว่าเอ๊จะทำอย่งไรเราถึงจะทําเรื่องนี้ให้ผู้คนได้รู้สึกสบายได้อย่างรวดเร็วก็ในช่วงที่ไปอยู่ถ้ำประมาณสิบวันในีอามาก็เลยได้มาประมวลดูในเรื่องของการทําความรู้สึกตัวแบบผ่อนคลายนะฮะเพราะว่าการทําความรู้สึกตัวแบบผ่อนคลายเนี่ ย, <c oughs> ก, บบ ย, ยก่อนหน้านั้น ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยยังยังไม่มีใครค้นพบนะเพราะในกระแสของความรู้สึกเนี่ยมันมีอยู่สองกระแสกระแสสุขกระแสทุกข์กระแสพอใจและไม่พอใจกระแสบาปกระแสบุญกระแสรักกระแสชังส่วนใหญ่เราจะอยู่สองกระแสเนี่ยแม้แต่พุทธเจ้า ก่อนที่ดัชสูุท่านก็พบพบสองทางเนะี่ยแต่ท่านมาพบทางที่3เอาตอนที่ตดัชสูรท่านเรียกว่ามักมีสายาสายกลางนะมาชิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่ากระแสาตามใจก็คือกามสุภาริกานุโยค ก, กระแสที่ขัดใจก็คือกระแสอัตติเรียน า, านุโยคเพราะฉะนั้นเองในทุกเวลานาทีที่เราทั้งหลายต้องนั่งตรงเนี้ยประมาณสัก หชั่วโมงได้หรือชั่วโมงแล้วก็ไม่รูนะ้นะเพราะว่าทุกครั้งนี่เอามามาก่อนเวลานะทุกครั้งที่มีการอบรมเนี่ยแต่มาเที่ยวนี้เลทไปนิดหน่อย45่ห้านาทีได้ข่าวว่าท่านทั้งหลายมานั่งรออยู่นานแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราสํารวจลงไปในความรู้สึกของเราจริงๆตลอดเวลาเนี่ยความรู้สึกของเราบางคนไม่สบายใจบางคนรู้สึกรอคอยบางคนรู้สึกว่าเหนื่อยใจบางคนรู้สึกว่า สบายใจแต่และคนไม่ไม่ความรู้สึกยิ่งแตกต่างกันสำหรับที่เคยฝึกอบรมปฏิบัติทำสมาธิมาแล้วการรอคอยเป็นการทําสมาธิแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยฝึกทําสมาธิการเจริญสติมา ก, ก่อนการรอคอยเป็นเวลาที่ทรมานนะเป็นเวลายืดยาวแม้แต่เวลานิดหน่อยก็ตามเป็นเวลายืดยาวเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของความรู้สึกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่เรียกว่าเวทนานะ ามาเองได้ศึกษาเรื่องเวทนาดูหลายๆขั้นตอนโดยเฉพาะเวลานั่งสมาธิเนี่ยในช่วงที่เราจิตยังไม่เป็นสมาธิเราจะผุดลุกผุดนั่งผุดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวพลิกตรงนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะจิตของเรากับใจของเราเนี่ยมันมันไปเบียดกันกลายเป็นยังไงใจก็ยังกายเจ็บใจก็เจ็บนะกายปวดใจก็ปวด กายเหนื่อยใจก็เหนื่อยไปด้วยมันก็เลยดิ้นไปถึงสองกระแสะทําให้กระแสะกายกระแสะใจมันเป็นเป็นกระแสะเดียวกันอย่างแยกไม่ออกดังนั้นเองการเจริญสติการเจริญสมาธิที่เราทํากันมาเนี่ยทำกันแบบหลายสายบางแห่งก็ใช้หลักของการทําลมหายใจบางแห่งก็ใช้หลักของการบริกรรม บางแห่งก็ใช้หลักของนิมิตบางแห่งก็ใช้หลักของการเคลื่อนไหวนะซึ่งทั้งหมดทั้งพวงนั้นเป็นการศึกษากระแสของจิตนั่นเองถ้าหากว่าเราพยายามที่จะให้จิตที่มันสงบเนี่ยมันก็ไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องคิดนะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันมีอยู่สองกระแสคือกระแสที่ปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งนะกระแสที่คิดกับไม่คิด หมายความว่าก่อนหน้าที่พุทธเจ้าตรัสรู้มันมีสองกระแสนั้นกระแสที่คิดเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยกสุดตรงอีทางหนึ่งคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดทีนี้คนทั้งหลายในสมัยนั้นเราเรียกว่าพราหมณ์หรือนักเพ่งนักบวชเนี่ยเขาเห็นว่าไอการอยู่ความคิดอยู่การเวียนว่ายต่เกิดทุกความคิดเนี่ยมันไม่มีความสุขเขาก็เลยเข้ามาฝึกฝนปฏิบัติตัดกระแสของความคิดไม่คิดเลยนะ ใ ห, ให้พยายามหยุดความคิดไม่ให้ทํางานจิตก็สงบไปอีกแบบหนึ่งนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรามเป็นคลุมไปเลยทีนี้พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาท่านก็มาเห็นว่าทั้งกระแสที่คิดและไม่คิดเนี่ยมันไม่ถูกทั้งกระแสที่สงบหรือไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ในที่สุดโปรงมาเจออีกกระแสหนึ่งกระแสสา ย, สายกลางเรียก่ามัชมามัชชมาปฏิปทาคือไม่ได้ปฏิเสธความคิดและก็ความไม่คิดก็ไม่ปฏิเสธ ความพอใจก็ไม่ปฏิเสธความไม่พอใจก็ไม่ปฏิเสธความสุขก็ไม่ปฏิเสธความทุกข์ก็ไม่ปฏิเสธแต่ให้หันกลับมาศึกษาทั้งสองอย่างนะว่าเอ๊ะความสุขมันเกิดเพราะอะไรความทุกข์เกิดเพราะอะไรความคิดเกิดเพราะอะไรความไม่คิดเกิดเพราะอะไรความสงบเกิดเพราะอะไรความไม่สงบเกิดเพราะอะไรนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาท่านมามามาดึงดูตัวนี้นะฮะดูทางสองสายนั้นเขาเรียกว่าทางทางสายสูตตรง ดังนั้นเราทุกคนในชีวิตประจำวันของเราเราจะอยู่แค่ทางสองสายเนี่ยมีความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ความสบายไม่สบายคว า, ความรู้สึกโล่งความรู้สึกอึดอัดสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดนะดังนั้นเองแม้แต่ขณะ น, นี้และเดี๋ยวนี้ท่านลองดูไปในกายในใจของท่านเราอยู่ในกระแสไหนกระแสอึดอัดหรือกระแสปลอดโปลง กระแสรู้สึกทรมานหรือกระแสรู้สึกสบายสํารวจลงไปชัดๆลงไปที่นี้มีกระแสะที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเรียกว่ากระแสะแห่งมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางกระแสะนั้นได้แก่อะไรท่านจึงเรียกว่ามัชกรนะแสใ น, นมมมัชคือทางท่านมาค้นพบทางทางที่สายที่สามเนี่ยนะทางสายที่สามซึ่งนักปฏิบัติ ที่พยายามพิสูจน์คาสอนของพุทธเจ้าก็พยายามที่จะเข้าถึงสายนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะสั่ะสายที่ส า, สาแต่แล้วก็ขาดความแยกข่ายขาดความละเอียดมันก็เลยตกไปสู่ทางกระแสใดกระแสะหนึ่งกระแสะสุขกระแสะทุกข์โดยโดยไม่รู้สึกตัวนะและส่วนใหญ่ก็ไปสู่กระแสะของความสงบนั่นแหละคือเป็นเป็นปลมเป็นพรามไปดังนั้นในพุทธศาสนาของเราในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเป็นพรามอยู่นะคือชอบความสงบ อะไรที่มาขัดให้เกิดความไม่สงบเรื่อยเราไม่ชอบอะไรมาทำให้เกิดความวุ่นวายเราก็ไม่ชอบทุกคนพยายามที่จะทำจิตให้สงบพยายามที่สะกดจิตให้สงบอำไมาเองในช่วงที่เข้ามาฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนอยู่ช่วงหนึ่งที่เข้าไปตัวเองเคยปฏิบัติหนอมาก่อนหลายปีทีนี้มันมีช่วงหนึ่งเมื่อปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเข้มๆแล้วเนี่ยเข้าต่อเก็บอารมณ์ต่อเนื่องกันตลอด เวันเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งพอเราหลงไปทําหนอนิดเดียวเนี่ยจิตมันเข้าไปสู่กระแสของของความสงบแบบลึกลิ่งไปเลยนะพองลบดิ่งไปปั๊บติดตัวเราแข็งทื่อไปเลยดิ่งไม่ได้แต่ถ้ามันสงบถึงที่สุดแล้วตัวเราแข็งทื่อไปเลยเราก็ว่าเอ๊ะมันมันถูกต้องเพราะมันไม่เคยเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนวันคืนนั้นตลอดทั้งคืนเนี่ยเดินนั่งก็ทําเป็นยืนก็ทําเป็น นอนก็ทําเป็นเว้นแต่เดินไม่ทำํำพอตื่นเช้ามาเอาเรื่องนี้มารายงานให้หลวงพ่อเทียนทราบว่าหลวงพ่อเมื่อคืนผมมีประสบการณ์อย่างนี้พอกําหนดลมหายใจแล้วเข้าไปสู่ลมหายใจลมหายใจมันหายไปเลยตัวเราก็แข็งทื่อไปเลยว่าเป็นความสุขสงบมากท่านบอกว่าอาจารย์วิปัสสนาทั่วไปเนี่ยคิดว่าอันนี้เป็นสมาบัติเป็นฌานเป็นอะไรต่างแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ อันนี้คือการสะกดจิตตัวเองซึ่งศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเขาทำกันมานานแล้วแต่มันไม่ใช่ทางพุทธเพราะนั้นท่านบอกว่าอย่าทำถ้าคนไหนเข้าไปสูส่กระแสการสุบบ่อยๆใ น, นจิตจะอ่อนกำลังเมื่อจิตอ่อนกำลังแล้วนี่มันจะมาอยู่ทางสายกลางไม่ได้เพราะสายทางสายกลางเป็นทางสายรู้คือรู้สึกตัวนะมารู้สึกตัวนั้นเอง การที่เราเคยทำความสงบมาก่อนทางสายสงบมาก่อนเนี่ยรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะทำไม่ได้เพราะมันรู้สึกหุ่นวายไปหมดแม้อาตมาเองครั้งแรกเนี่ยเข้ามาศึกษาในวิธีการของพัวเทียนไอการยกมือนี่ก็รับไม่ได้นะเพราะเราชอบทาหนอมทาพุทโธ ท, ทำทำจิตให้สงบมาก่อนพอนั่งมานั่งยกมือนี่นทำไม่ได้ในสมัยนั้นามาเข้าไปวัดสนามในสมัยเมื่อปี1 9หรือ 2, ต่อนั้น ช่วงนั้นหมอประเวศวสีอาจารย์ละวีภาวิไลเนี่ยพานิสิตเนื่ึกษาเข้าไปไปปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติที่นั่นเห็นเขาทำกันอยู่ออกมาก็ยังยังทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะทำสมาธิแบบลืมตาเราไม่เคยเออสมาธิอะไรลืมตาแล้วก็ยกมือด้วย ยกมือด้วยไอเราทํามาตลอดนี่เรานั่งหลับตาแล้วก็ก็เคลื่อนไหวมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งตัวตรงดํารงสติมัน่นกำหนดลมหายใจเข้าออกขยับเพื่อยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้เราคุ้นใจอย่างนั้นมาตลอดแต่นี้มานั่งปกติธรรมดานั่งยังไงก็ได้ยกมือเคลื่อนไหวแล้วก็ลืมตาแล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรนะเราทําไม่ลงในสมัยนั้นนะเอาไม่ลง ที่ในช่วงนั้นเป็นช่วงเดียมากําลังศึกษาทางมหาจุฬาอยู่อยู่ปีสองนี่แหละก็ประหักําลังดูหนังสือสอบและปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ดูหนังสือสอบด้วยมันก็เลยปั่นผวนวุ่นวายจะปฏิบัติก็จะทําหนังสือก็จะอ่านปั่นมาวุ่นวายไปหมดก็เลยหลบเข้าไปในสวนหลังวัดที่วัสนามในมันเป็นสวนผูเรียนเข้าไปและทึ่งทึ่งก่อนหน้านั้นนะไม่ไม่ยอมสร้างจังหวะนะแต่ฟังหลวงพ่อเทียนอยู่หลวงพ่อเทียนเป็นพระดวงตาที่ แจม่มใสบุคลิกดีแล้วก็พูดจริงจังถึงแม้จะพูดภาษาเลยแต่ก็ฟังแล้วเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจพอพูดเป็นภาษาเลยแต่ก็ชอบท่านเป็นบุคลิกที่แจม่มใสแก่งแข็งแรงเรียกว่าดูแลวสวสยดูแลสบายตาชอบตรงนั้นที่นี่หลังจากที่หลบเข้าไปในในสวนมันมีกระต๊อบอยู่ใช่แล้วก็ไปนั่ง ดูหนังสือหัวนี่ปัน่นติ้วติ้วแล้วมันขัดแย้งข้างในห น, นังสือก็อจะดูปฏิบัติก็อยากปฏิบัติยาวยังไงกันแน่ก็เลยในที่สุดวางหนังสือแล้วก็มาลองยกมือดู ท, ท, ทั้งท่านที่ไม่เคยยกนะลองยกมือดูยกไปยกมาสักสามห้านาทีได้ไอหัวของเราที่มันมั น, นปนั่นป่วนวุ่นวายอยู่เนี่ยมันว่างโลงปุ๊บไปเลยเอ๊ะเกิด อ, อะไรขึ้นเบาทั้งตัวนะ เลยเลยลืมดูหนังสือยกมือต่อไปเป็นชั่วโมงนับตั้งแต่วันนั้นมาเอามาเลยยกมือเพราะมันมีเหตุนะมีเหตุให้ให้ต้องยกคือตัวเองประสบความทุกข์อย่างหนักกั้งแต่นั้นนะมันเกิดความขัดแย่งในใจแล้วลองยกมือปรากฏว่าไอ้เรื่องราวต่างๆที่มาอยู่ในหัวมันหายไปวบเลยเอ๊มันเป็นไปได้อย่างไรตั้งแต่นั้นมาก็เลยยกมือตลอดตั้งแต่ปี20จนมาถึงปัจจุบันได้กี่ปีแล้ว20่สปีหรือสาปี น่าจะ20ปีมั้งหรือสามสิบสามสิบ่ใช่เลยโอ้โหแป๊เดียวนะ <c oughs> ยกมือแป๊บเดียวสาสิปีแล้วนะ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาศิจันทร์มาอยากจะบอกว่าจานทรย์ยกมือนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ถ้าใครรับได้นะแต่ส่วนใหญ่จะรับไม่ค่อยได้หรอกร้อยหนึ่งในสักสิคนนี่จะยากนะเ <c oughs> พราะอะไรเพราะมันเป็นกิริยาของของมหาบุรุษนะวันวันหนึ่งเวลาเราทํางานเราทําด้วยอะไรทําเรื่องมือใช่ไหม แล้วเวลาเดินไปไหนเราก็เ huh ดินด้วยเท้าเวลาเราคิดเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทํางานเอามาเองก็เลยมาทำแต่ก็นัแต่ถึงกันนั้นมันก็ยังรักความสงบอยู่นะเพราะฉะนั้นฝืนมากทีเดียวในการยกมือเนี่ยฝืนมากๆเลยนะต่อหลังจากทําเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหมันสนุกสนานมาก น่าสนุกสนานเพราะอะไรเพราะว่าตัวรู้สึกตัวเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาไปไว้ที่ลมหายใจใช่ไหมลมหายใจนี่แสนจะบางเบามองไม่เห็นตัวด้วยพอมันคิดอะไรไปปับ๊บมันก็ลืมแล้วเพราะมันบางเบามากเพราะนั้นสติที่ไปจับอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันมันแผ่วเบาเหลือเกินพอนึกไปคิดไปแล้วอะไรปั๊บมันลืมเลยลืมลมหายใจนะแต่ตัวรู้สึกตัวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเนี่ยมัน มันทําต่อเนื่องได้ยาวเป็นวันๆแต่ลมหายใจนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทัาบมือซ้ายตั้งตัวตรงเนี่ยอามาเคลนั่งยาวที่สุดไม่เกินไม่ถึง3ชั่วโมงประมาณ3มชั่วโมงนะหมายของวัติคิวจับทั้งตัวแล้วไปไม่ได้แล้วมันไม่หลับมันก็ดิ่งไม่ไม่ดิ่งก็ปวดเมืมม่อยไปทั้งตัวทีนี้ในหลักการเจริญสติปัฏฐานสีของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ตลอด ทั้งวันและคืนอย่างช้าที่สุดหรืออย่างเร็วที่สุดเจดวันคนนั้นจะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่บรรลุธรรมอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดปีคนนั้นจะได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้บรรลุธรรมขั้นสูงทีนี้มันเป็นไปได้อย่างไรเจริญสติแบบต่อเนื่องเขาบอกเจริญสติแบบต่อเนื่งองของธารมาก็คือ น, นั่งกาหนดลมหายใจตลอดเวลานั่นนะนะสมัยก่อนมันเป็นไปไม่ได้เราแคนั่งแค่สามชั่วโมงเนี่ยไปไม่รอดแล้วทีนี้พอมาเจอการเคลื่อนไหวหลงพ่อเทียนก็เลยอ๋อเจอทางออก เพราะอะไรเพราะเรานั่งสร้างจังหวะเนี่ยเราไม่บังคับอิริยบทใช่ไหมเราจะเปลี่ยนไปในอิริยาบถไหนก็ได้อเอามาตอนที่เข้าเก็บบวลมเมื่อก่อนนั่งอิริบทเดียวใช่ไหมนั่งคตมาศแต่หลังจากเข้าเก็บบวลม ม, มันผลิตวิธีนั่งได้ถึง10บกว่าอย่างเช่อนอะไรบ้างพระเพียบซ้ายพระเพียบขวานั่งเทพิดานั่งเทพบุตรนั่งคตมาศหนึ่งสองสนั่งเหยียดขานั่ง อี้นั่งยองๆไม่ได้ยืนเอาไปมาได้ทั้งเป็นสิบท่าก็เลยออ เราได้แล้วแต่ว่ามือนี่ไม่ไม่เปลี่ยนมือยกมือไปเรื่อยๆจะนั่งไร้จะบวชได้ก็ตามมือยกไปเรื่อยๆสามารถนั่งวันสร้างจังหวะได้ทั้งวันเมื่อไรเราหยุดจากการสร้างจังหวะเราจะไปทําอะไรก็เอาสติไปกับมือได้สติไม่ขาดอันนี้คือความต่อเนื่องเพราะนั้นความต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นี่ยหมายความว่าจะต้องนั่งยกมือตลอดเวลาหมายความว่าเราจะลุกไปทําอะไรใจเราก็ยังอยู่ที่มืออยู่ใจก็ยังอยู่ที่เท้าอยู่ใจก็ยังอยู่ที่การเคลื่อนไหวอยู่ เพราะฉะนั้นการต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อย่างนี้มันเป็นไปได้คือหมายถึงว่าไม่ได้ลูกโซ่อยู่ที่ลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวแต่ละเวลาแต่อยู่ในส่วนไหนของกายก็ได้แต่ขอให้ชัดเจนว่าขณะนี้ใจเราอยู่ตรงนี้นะให้มั่นใจจริงๆในะขณะนี้ใจเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงที่การเคลื่อนไหวนะนะดังนั้นเองจิตของเรานี่ยมันมันสร้างขึ้นมา โดยระบบทั้งห้ประการใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะคุ้นหรือว่าเรียกว่าได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พอเราคิดแต่ละครั้งเนี่ยมันเอาส่วนไหนไปคิดพอคิดปับ๊บมันก็ไปเลยใช่เหมือนกับไอนาฬิกานะเหมือนนาฬิกามันหมุนไป12ชั่วโมงแต่ว่าไอตัวไอเคองแมชชนขมันามานะที่อยู่ข้างในที่มันหมุน ป, ป, ป, ป๊อกอย่างเงี้ย มันหมุนอยู่กับที่นะใช่ไหมไอ้เฟืองเขามันอ่ะมันหมุนอยู่กับที่แต่ว่าเข็มมันไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็นวินาทีเป็นชั่วโมงเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีมันบอกไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ตัวตัวที่หมุนอยู่กับที่เนี่ยมันไม่เคยบอกอะไรมันเพียงทําหน้าที่อยู่แค่นี้ใช่ไหมที่มันเฟืองเข้ามาน่ะลูกตุ้มเขามันอ่ะฉันใดก็ดี จิตของเราเนี่ยมันคิดไปได้สารพัดอย่างเหมือนเข็มนาทีเข็มวินาทีเข็มชั่วโมงมันจะบอกไปได้สารพัดอย่างแต่ว่าการทํางานของจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนเฟืองทั้งห้าเนี่ยทำอยู่แค่นี้นะดังนั้นเองอการจัดการกับความคิดจะทำอย่างไรเราก็จะต้องมารู้จากโครงการของโครงสร้างของจิต ท, ทั้งห้าประการเนี่ยดังนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราเอาอะไรมาคิด เคยเห็นความคิดของตัวเองไหมในขณะนี้เราคิดความรู้สึกกับความคิดนี่ต่างกันไหมเคยเห็นไม้มเคยดูไหมว่าระหว่างความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจเนี่ยเป็นความคิดไหมเป็นนะแล้วเป็นทีนี้ความคิดถ้าความพอใจเราคิดไปนในทางที่ไม่พอใจสมมติเรานั่งนานๆเรารู้สึกปวดเมื่อยเรารู้สึกไม่สบายกายแต่ถ้าเราไม่เดยเจริญสติมา ก, ก่อนเนี่ยความไม่สบายกายของเราก็ เข้าไปให้เกิดความไม่สบายใจด้วยเพราะเราแยกไม่ออกนั้นเองในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าทางอเมริกาที่มาไปเผยแพร่ อ, อยู่ประมาณเกือบสิปีเนี่ยมีการทำเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางเพราะ น, นั้นกลับไปอเมริกาแต่ละครั้ง น, นไม่ได้อยู่เลยว่างั้นเถอะในแต่ละรัฐเพราะว่าเขาจะมีไอชมลมของเขาชมลมการเจริญสติเรียกว่า mindfulness training เนี่ยมันมีแทบทุกๆรัฐเลยนะโดยเฉพาะที่มิสซูรีคุณ หมอพงศักดิ์ตันภัจิตเนี่ยเป็นนายกพุทธสมาคมของไอเ้เซนลุยก็ปรากฏว่ามีการทุกวันเสาร์เนี่ยทางหมอทางพยาบาลจะมารวมปฏิบัติการเจริญสติร่วมกันซึ่งมาไปทุกครั้งก็ได้รับนิมนต์ไปไ ป, ไปร่วมตรงนั้นเมื่อคราวที่แล้วก่อนมานี่ก็ไปทํากลุ่มหมอพยาบาลอยู่เทนเนสซี่นะฮะก็มาเจริญสติแบบนี้ก็ปรากฏว่าตัวเจริญสติแบบนี้มันเข้าไป้ดูแลตัวเคลื่อนไหวของจิตเนี่ย ไปควบคุมการไอ้ไอ้ค็อกแนชชนตัวนี้ได้คือจิตของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องหยุดคิดแต่เราสร้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมาสร้างตัวรู้ขึ้นมามันคิดให้มันคิดไปมันสงบก็ให้มันสงบไปแต่อีกตัวหนึ่งที่กำลงขึ้นมารู้ตัวตัวนี้เราจะต้องสร้างขึ้นมาแต่ถามว่ามันมันเป็นของใหม่ไหมไม่ใช่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีพลังอย่างมันไม่มี energy มันไม่มีพลัง เมื่อไม่มีพลังปั๊บเวลามันคิดความคิดทำงานปั๊บเนี่ยความคิดมันดูดไปหมดมันก็เลยสติสัมมาญาที่เรามีอยู่มันก็เลยไปรับใช้ความคิดนะความคิดจะมีสองกระแสกระแสเกิดกับกระแสดับกระแสเกิดเรียกว่ากระแสสมุทัยความคิดที่รับใช้ความอยากเราเรียกว่าสมุทัยกระแสดับก็เรียกว่ า, าความคิดที่ไปรับใช้สติ มันจะคิดในสิ่งเฉพาะที่จําเป็นเช่นนั้นเช่นว่านั่งตรงนี้ปวดหนักปวดเบามันก็จะคิดว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนเราจะลุกยังไงเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วก็ไปแล้วก็จบมันไม่ได้คิดอะไรไปกว่า น, นั้นอีกเพราะนั้นความคิดที่เป็นกระแสดับเนี่ยคือเป็นความคิดที่ทําคิดขึ้นมาแล้วก็ทําทําแล้วก็จบไม่มีการขยายไปมากกว่า น, นั้นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทําทําแล้วก็จบ หมหน้าที่แค่นั้นนี้ก็เรียกว่าความคิดที่เป็นกระแสดับคือสนองความต้องการของธรรมชาติเท่านั้นเราจึงเรียกตัวนี้ว่ายานปัญญาหรือปัญญายาณหรือวิปัสนาญาณความคิดที่เป็นกระแสดับคือหมายความว่ามันดับความยากเพราะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตัวรู้เราไม่เพียงพอ ตัวความรู้สึกตัวเราไม่เพียงพอเราก็จะไม่เห็นกระแสความคิดทั้งสองกระแสนี้ส่วนใหญ่เราจะไปอยู่กระแสความคิดที่เป็นความอยากนะเขาเรียกว่าสมูทยัยสมูทัยมีกี่อย่างพอใครพอทราบบ้างสมูทัยคืออะไรสมูทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมมีกี่อย่างสมูทัยมีกี่อย่าง อันนี้เป็นชาวพุทธนะเรากำลังโดนลงเป็นชาวเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเพราะนั้นวันนี้ต้องสอบความรู้ชาวพุทธหน่อยว่าสมุทัยมีกี่อย่างถ้าผ่านก็เรียกว่าเป็นชาวพุทธเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติได้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้เลยนี่สมวลแล้วที่เขาไม่บัญญัติเข้าไป <laughs> เราจะต้องเป็นเดินขบวนกันอีกน ะ, ะพระออกไปเดินขบวนกันเพื่อขอบรรทัดเดียวเนี่ยแหลนะพระอุตษาไปนั่งอดท่าอดน้ํากันแต่ว่ามาสอบความรู้ชาวพุทธจริงๆแล้วก็กลัวสมุทัยคืออะไรนีต่ตอบไม่ได้นี่ไม่ต้องลำบากพระแล้วนะที่จะต้องไปเราไม่ไม่ต้องสมัครเป็นชาวพุทธกันแล้วสมุทยัยแปลว่าเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมมีกี่อย่างสามอย่า ง, าอางอตอบผู้หนึ่งคนนะหนึ่งหนึ่ง เพราะวัฒนาสองาามีภพราะวัฒนาสามไม่ครบนะไม่ครบนะได้เจอละอีกส0สอซอะไรลืมเหมือนกันใช่ไหมชาวาพุทธเราสมัยเหตุให้เกิดทุกข์นะมีสามอย่างเริ่มต้นด้วยกามมัตหนาลืมไปกามัตันาคือคื อ, อยากอะ่ะ อ, อยากจะอยากจะไดอะ้อยากที่มันเกิดขึ้นในใจนะอยากสมมุติว่าเราอยากมาที่นี่เราอยากมาฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นกามาตัณหาไหมถ้าอยากด้วยสติกามตัณหาทุนนี้เรียกว่าศรัทธาถ้าอยากด้วยขาสติความอยากตัวนี้ก็เรียกว่าตัณหานะเพราะฉะนั้นตรงว่าอยู่ที่ว่าหัวหน้านี้ที่เป็นสัมมาสติหรือมิจฉาสติ ถ้าเป็นสมาสติก็คือเออเราอยากวันที่นี่วันวันนี้มีการจัดฟังธรรมที่นี่นะมีการบรรยายธรรมที่นี่วันนี้เป็นวันพยาบาลสาคล เราเก็มาฟังทำกันนะตั้งใจจะมาทั้งๆที่มีงานหลายๆอย่างที่จะต้องไปใช่มมีงานจาเป็นหลายๆอย่างต้องไปแต่ว่าวันนี้ตัดใจมาได้ข่าวว่าพระเป็นประธานอเมริการยูที่อเมริกาด้วยโอ้ โ, โชื่อใหญ่ยามเลนะเออแน่าอยากจะมาฟังบ้างแต่ความจริงไม่ใช่นะมาเป็นพ้าป่าพาระเถือนธรรมดานี่แหละเขาตั้งให้เป็นนั้นต้นองเป็นนี้บ้างนะ ก็ไปไปกินข้าวลิงอยู่สิบกว่าวันความจริงออกมาอ้วนกว่านี้นะกลับมาวันนี้ทั้งหอมทั้งดําเลยว่า ง, งั้นเถอะเพราะอะไรเพราะน้ําตกมาจากําเรากับกระผมไปลองเอาวันไหนมันเต็มก็ได้อาบน้ําวันไหนไม่เต็มก็ต้องกดอาบไปนะไปกินข้าวลิงอยู่ก็วันหนึ่งปีหนึ่งมีเวลาพักสักสิกสบวันเต็มที่นะสบายทีนี้ในขณะที่นั่งปฏิบัติเนี่ยไปเห็นกระแสะของความอยากขณะนั่งไปสิบนาทีแรก มันอยากละอยากจะพลิกเลยใช่ไหมมันบอกว่าปวดขาเออมันอยากเอามาก็อ่านความอยากเอาถ้าไม่พลิกแกเกิดอะไรขึ้นหรืมีพลิกฉันก็บีบแกนะฉันก็บีบขาแกไปเรื่อยๆอ้าวขาปวดหรือฉันปวดมันคิดขึ้นมานะฉันปวดหรือขาปวดอ่าถ้าฉันปวดฉันจะไม่พลิกให้แต่ขาปวดนี่มันมันหายได้นะก็ดูมันไปเรื่อยๆยี่สิบนาทีก็ไม่พลิก สาินาทีก็ไม่พลิกชั่วโมงหนึ่งก็ไม่พลิกต่อสู้กันอย่างขนาดหนักเลยนะระหว่างกระแสอัตตาที่ต้องการจะเปลี่ยนกับกระแสอนัตตาที่มันเป็นอยู่แล้วกระแสของอนัตตามันเป็นอยู่แล้วอั น, นสิ่งไหนที่มันเป็นอันนี้จังสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นบังคับบัญชาไม่ได้มันก็เป็นไปอย่างนั้นบังคับบัญชาไม่ได้ กระแสทุกอย่างที่มันเป็นกระแสของความอยากเป็นสังขารเนี่ยต้องอยู่ภายใต sí ้กฎของอ น, นิจงังทุกขังนันตามันเป็นอยู่นี้ตลอดสรพรพสิ่งทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้ใตกฎอันนี้ที่เป็นสังขารนะแม้แต่ความคิดก็ไม่เว้นความคิดที่เป็นสังขารที่เป็นความอยากก็อยู่ภายใต้กฎอันนี้อ น, นิจงังทุกขังนันตาเปลี่ยนวันนั้นอาตมานั่งตั้งแต่สิบโมงเ้ายันห้าโมงย็นไม่เปลี่ยนไปท่าอื่นนอกจากท่านั่ง แต่เปลี่ยนถ้านั่งเนี่ยเปลี่ยนอยู่สามท่าแต่ไม่ยืนไม่เดินไม่ไม่นอนเลยนะแค่นั่งถ่านั่งเดียวแล้วเปลี่ยนให้มันแค่สามท่าท่าละสามชั่วโมงท่าไหนบ้างถ้าคัสมัดสามชั่วโมงถ้าผ้าเพียบสองชั่วโมงแล้วก็ท่าเหยียดขาอีกสองชั่วโมงไปถึงสามโมงสี่โมงห้าโมงเย็ดก็ออมันเลยหายไปอ๋อในที่สุดก็เลยเห็นว่าตัว ตาคือความอยากในการที่จะต้องการเป็นอย่างนี้ถ้าเราต่อสู้มันได้ทนกับมันได้เนี่ยในที่สุดมันก็ตายอั ต, ตาโดนนั้นตายเป็นเราไม่ตายนะแต่อา ต, ตาตายแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแล้วเขาเอามาก็บอกว่าเอา้าถ้าหากว่าอั ต, ตาไม่ตายฉันตายนะถ้าฉันไม่จายอั ต, ตาต้องตายต่อสู้กันยางปวดร้ายมากในวันนั้นนะก็ปรากฏว่าหลังจากมันหายไปก็โล่งเลยทีนี้ตั้งแต่วันนั้นมานั่งไม่ปวดเลยนั่งเท่าไหร่ก็ได้ มันก็เลยทะลุปวดไปนะดังนั้นเราจะเห็นว่าความอยากเนี่ยกามตัณหาเนี่ยมันมันบีบคันอยากอะไรก็ตามอยากจะลุกอยากจะนั่งอยากจะไปแล้วไม่ค่อยสังเกตแต่ความจริงแล้วในนิยามที่เราให้ไอเดฟิ i t ชันที่เราให้กันเนี่ยกามตัณหาคือตัณหาในกามตัณหาในเพศตัณหาในรูปแต่ความจริงแล้วไอตัวอยากเนี่ยมันต้องเริ่มต้นไปแต่จากตรงนี้แหละ อยากนิดอยากหน่อยโดยที่ไม่ได้กำหนดรู้ตัวอยากอะไรก็ตามที่เราไม่ได้กำหนดรู้ตัวอยากโดวนั้นจะสะสมเป็นพ่อหลังของตัณหาไปเรื่อยๆเหมือนกับความโกรธเนี่ยความโกรธเกิดจากอะไรต้นเหตุของมันก็คือความไม่พอใจใช่ไหมความไม่พอใจวันหนึ่งเนี่ยเราจําได้ไหมว่าเราไม่พอใจกี่ครั้ง โอ้วันวันงวันทีบางวันเป็นพันพันครั้งได้ใช่ไหมความไม่พอใจรถติดก็ไม่พอใจคนทํางานไม่ทันใจก็ไม่พอใจทาอาหารไม่อร่อยก็ไม่พอใจเขาห้องน้ำห้องส้วมไม่สะอาดก็ไม่พอใจจะไปแปลงฟันเจอหาแปลงสีฟันไม่เจอก็ไม่พอใจวันวันหนึ่งอ่ะมันสังขารทั้งหลายให้ก่อให้เกิดความไม่พอใจมากมายความไม่พอใจสั่งสมเป็นน้ําทีดละเอียดละหอียดละเอียดละเอยดแล้วมารวมเป็นน้ําถังใหญ่ ในที่สุดวันไหนเราไปชนถังตัวนั้นไปไงน้ําถังนั้นก็แตกปุ๊กออกมานั่นหมายความว่าระเบิดความโกรธใช่ไหมระเบิดปุ๊งออกมาแล้วเราก็มีกา ร, ออกการะกทะเลาะบาะแว้มีการถูกเถียงมีการขัดแย้งถูกเถียงข้าวฟันรันแทงกันมากมายเพราะเกิดจากความไม่พอใจที่ไระโยชนั่นเองดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้าง ตัวสมดุลขึ้นมาเรียกว่าตัวรู้ถ้าเราไม่มีตัวรู้ความไม่พอใจทุกครั้งจะกลายเป็นเชื้อของความโกรธและใช้กลายเป็นเชื้อของไฟนรกต่อไปยังไม่มีทางเลี่ยงเลยนะดังนั้นเองวันนี้เราจึงจะมาสร้างตัวรู้กันแต่หลายคนก็สร้างแล้วแหละแต่หลายคนก็ใหม่นะมีคนใหม่อยู่หลายคนใช่ไหมที่ยังไม่เคยวันนี้เราจะมาสร้างตัวรู้ทุกครั้งนะเมื่อเราไม่พอใจเรารู้เสีเออฉันไม่พอใจนะความไม่พอใจนั้นจะกลายเป็นศูนย์ มันจะไม่กลายเป็นตันหาต่อไปทุกครั้งที่ความพอยใจเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเออเรารู้สึกพอยใจนะความรู้สึกพอยใจนี้มันจะไปสร้างราคะไปสร้างตัญหาฉันพอยใจให้กำหนดรู้ว่าเออฉันพอยใจเวันนี้พระมาเทศนาฟังฉันพอยใจ ถ้าไม่รู้ว่าชั้นพอใจความพอใจตัวนี้แทนที่จะเป็นศรัทธามันก็กลายเป็นตันหาไปได้เหมือนกันดังนั้นความพอใจทุกครั้งมันเป็นน้ําอีกหยดหนึ่งที่สั่งสมทีละนิดละนิดจนกลายเป็นราคะเป็นตันหาได้เพราะฉะนั้นการจะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือมูหะสะสมมาจากตัวเล็กๆนิดๆตัวนี้ที่ไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้าไปเจือจาง นะดังนั้นเองจึงอยากจะให้เห็นความสําคัญความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวนี้ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยไม่เคยมีพรามณ์หรือไม่มีนักปราชญ์บัณฑิตหรือผู้รู้ท่านใดเลยนอกจากพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่ น, นั้นที่จะรู้กฎเกณฑ์อันนี้คือกฎเกณฑ์แห่งการสลายความรู้ที่เป็นพอใจและไม่พอใจด้วยการสร้างตัวรู้ซื่อๆขึ้นมาหลวงพ่อเทียนเรียกตัวนี้ว่าตัวรู้ซื่อๆนะ โดยรู้สึกซื่อๆน้ำเนี่ยมันมีน้ำขุ่นเอ่อน้ำขุ่นน้ำใสมีน้ำอ่าเย็นน้ำร้อนใช่ไหมแต่ที่มีน้ำอีกอย่างหนึ่งที่มันใช้ได้ตลอดเวลาน้ำนั้นเรียกว่าน้ำอะไรมันไม่ใช่น้ำกาแฟไม่ใช่น้ำเป๊ปซี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำโคล่ไม่ใช่น้ำเหล้าน้ำยาไม่ใช่น้ำอะไรทั้งนั้นมันเป็นน้ำอะไร น้ำธรรมดาเนีเป็นน้ำธรรมดา p ว r e water ธรรมดา n ม r m a อ water ธรรมดานี่แหละทีนี้น้ำไอวนี้ใช้ได้ทุกอย่างนะเป็นอนเนกประสงค์นะเป็น multiplier water คือเป็นน้ำอนเนกประสงค์ใช้ได้ทุกอย่างแต่นี้ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวรู้สึกตัวตัวนี้เนี่ยเวลาพอใจมาแล้วก็สั่งสมความพอใจฉันทราคะ ด้วยความไม่พอใจแล้วก็สั่งสมโทรศไปเรื่อยๆเพราะนั้นในชีวิตประจำวันของเราจึงหนาด้วยสองอารมณ์นี้เมื่อเราหนาด้วยความพอใจไม่พอใจตัวพุทธภาวะที่พระพุทธเจ้าที่เจ้าชายศิีทัตถาค้นพบทุกคนมีพุทธภาวะอยู่ในใจอยู่แล้วทุกคนมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ว่าถูกสั่งลึกมากลึกด้วยอะไรมันอยู่ภายใต้ความพอใจไม่พอใจที่สั่งสมขึ้นมา นะขึ้นมาเรื่อยๆเราจึงเรียกบุคคลที่ทับถมตัวพุทธรภาวะในลึกลงไปเรื่องๆเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นอะไรปูปูทุชนปูถูแปลว่าหนาหนะนาด้วยอะไรไม่ใช่หนาด้วยกิเลสหนาด้วยความพอใจและไม่พอใจที่เราสั่งสมทุกเมื่อเชื่อวันนี่แหละดังนั้นที่เราจะลื้อฟื้นเ อ, เอาความพอใจไม่พอใจนี่ออกได้อย่างไร มีทางเดียวคือต้องมาสั่งสมตัวรู้สึกตัวซื่อๆความรู้สึกตัวเฉยๆความรู้สึกตัวที่แบบไม่อยากรู้เนี่ยสั่งสมมันขึ้นมาเมื่อตัวนี้ถูกสั่งสมขึ้นมากเท่าไหร่ตัวรู้สึกตัวซื่อๆตัวนี้มันก็จะไปเจียจางความรู้สึกพอใจไม่พอใจประจําวันนี้เป็นเขาเรียกเป็นทำให้เป็นกลางอ่ะเขาเรียกอะไรทําตัวรู้สึกพอใจสมมติความรู้สึกพอใจไม่พอใจมันเป็นกฎเป็นด่างอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าตัวหนึ่งที่จะเข้าไปทําเจียจางให้มันเป็น ตัวอะไรนะที่มันเป็นตัวกลางเขาเรียกเป็นตัวอะไตัวด่างเลยใช่ไหมไปเจอือที่มันเข้มเข้มข้นคแนะ้วเจือให้เป็นกลางเนี่ยตัวนี้แหละในกฎวิทยาศาสตร์เขาก็มีแต่ในตัวนามธรรมก็มีตัวนี้ตัวรู้สึกตัวซื่อๆนี่แหละนะดังนั้นหลายคนหลายท่านที่ลงมือทําไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สัมผัสอะไรจริงจังเพราะว่า ย, ยังขาดความมั่นใจคือเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากาตั้งแต่มาพบนี่นะพบ ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันตั้งแต่พบตัวนี้มาเนี่ยมันมีความสุขมาเลยตลอดเพราะว่าอะไรเพราะเวลาความทุกรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นความรู้สึกทุกข์นั้เกิดจากอะไรเกิดจากความพอใจใช่ไหมและเกิดความไม่พอใจความพอใจก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งความสุขก็ความทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามความสุขสมมุติว่าอันเดียวคันนี้ไม้ชิ้นเดียวเนี่ยอันนี้คือความสุขอยู่ทั้งนี้ความทุกข์มันก็อยู่ทั้งนี้ มันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าเมื่อใดเรารู้สึกทุกน้อยเราก็เรียกว่าสุขใช่ไหมเมื่อใดเรารู้สึกทุกมากเราก็เรียกว่าทุกแต่ความจริงสุขทุกเป็นอันเดียวกันแต่ว่าอันไหนมันเข้มถ้ามันเข้มมากเราก็เรียกว่าทุกถ้ามันเข้มน้อยเร that, ียกว่าสุขแต่ความจริงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกตรงตรงเลยเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเออตรงนี้ต้องหาคาใหม่นะในพุทธศาสนาเราเรียกว่าอาทุกอ่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกนัน suffering เข้าไหมนับัน suffering คือความไม่ทุกข์ไม่ใช่ happiness หรือไม่ใช่ suffering หรือ happiness แต่มันมีคําว่าตัวไม่ทุกข์ขึ้นมาน่ะตัวไม่ทุกข์คือคือรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสุขตัวทุกข์แต่มันเป็นตัวไม่ทุกข์ตัวไม่ทุกข์เนี่ยมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้จักมันน่ะเราไม่รู้จักดังนั้นเองเราจะทำไงให้รู้จักตัวไม่ทุกข์เนี่ยมากๆ ตัวไม่ทุกเนี่ยจะเข้าไปทําให้สุขให้ทุกเจือจางตัวสุขเกิดมาจากเราสั่งสมความพอใจตัวทุกขเกิดมาจากความสั่งสมความไม่พอใจตัวสุขก็ให้เกิดราคะตัวทุกก็ให้เกิดโทสะนะ เพราะฉะนั้นเราจะทําไงที่จะให้ราคะโทสะโมหะมันเจียจงังก็มาทำทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้มากเอาไว้แต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ทํากับระบบลมหายใจไม่ว่าเนอไม่ว่าพุทโธไม่ว่าสัมมาระหังไม่ว่าตัวบริกรรมอะไรต่างๆมันเป็นความรู้สึกตัวที่บางเบาเกินไปอ่อนเกินไปมันมันน้อยเกินไปเหมือนกับน้ําขุนสักถังนึงแล้เอาน้ำใส่ไปใส่สักกระป๋องหนึ่ง มันจะไล่ได้ไหมไม่ได้ถ้าน้ําขุ่นสักถังหนึ่งน้ําใสที่จะไปไล่น้ําขุ่นออกจากกระป๋องเนี่ยน้ําใสตรงนั้นต้องใช้ปริมาณเยอะอยู่ใช่ไหมน้าขุ่นน้ําใสที่จะไปลไล่น้ําขุ่นเนี่ยถ้าเกลือหนึ่งแก้วมันเค็มมากๆถ้าเราจะเอาน้ําอีกธรรมดาอีกแก้วหนึ่งไปเจือจางเนี่ยมันจะมันจะหายเค็มไหมไม่หาย แต่ในเกลือแก้วนั้นแก้วเดียวเนี่ยเราจะทําให้เชืยรจางแบบไม่มีเกลือเลยเนี่ยเราจะใช้น้ำสักกี่แก้วสูงว่า100แก้วนี่จืดไหม1ต่อ100แก้วนี่จืดไหมจืดสนิท น, นะแต่ถามว่าเกลือหายไปหรือเปล่าไม่หายวันใดก็ตามถ้าหากว่าน้ำมันแห้งลงมาเรื่อยๆจาก100แก้วเหลือแก้วเดีย ว, กวเยวกลือก็ยังเค็มเหมือนเดิมใช่ไหม ชั้นใดก็ดีความรู้สึกตัวเข้มข้นของราคะาโทสะโมหะเนี่ยเหมือนเหมือนเกลือมเค็มๆนี่แหละแต่เราจะต้องใส่ตัวรู้สึกตัวซื่อๆเนี่ยลงไปน้ําธรรมดาเจืยรจางลงไปเราต้องทําจํานวนมากแล้วก็เยอะด้วยดังนั้นน้ําความรู้สึกตัวที่เราได้จากลมหายใจนี่เหมือนน้าทีละหยดทีละหยดละหยดกว่าจะไปเจืยรจางได้ใช้เวลานานมากหลวงปู่หลวงตาบางท่านในท่านจะต้องอพาตัวเองปฏิบัติตอยู่ในปาใน่าในถ้ำในหวิวใช้เวลาเป็น ครึ่งค่อนชีวิตเ่ยกว่าจะจบกิจของท่านออกมาสอนเราท่านก็แก่เสร็จแล้วใช่ไหมท่านก็สอนไม่ไหวแล้วเราก็ไปกราบไหวบูชาตามพระอริยเจ้าตา่างๆตามป่าตามเหวตา ม, ตา ม, ตามถาม้ำท่านก็หมดแรงที่จะสอนเราแล้วแต่ในวิธีการของงพ่อเทียนบอกว่าถ้าทําอย่างนี้อย่างช้าที่สุดไม่เกิน3ปีอันนี้หมายความว่าได้ตามไอ้คอดิชันหรือตามเงื่อนไขของท่านนะอย่างช้าที่สุดไม่เกิน3ปีอย่างไวที่สุดตั้งแต่1วันถึง90วัน อย่างกลางตั้งแต่1ปีตั้งแต่3เดือนถึง1ปีถ้าใช้ความรู้สึกตัวจากการเคลื่อนไหว น, น่าสนใจใช่ไหมว่า3ปีเนี่ยไม่แก่เกินไปดังนั้น อามาอยากจะบอกว่าท่านทั้งหลายต้องพิสูจน์นะไม่จำเป็นต้องเชื่อที่อามาพูดนะแต่ามาพิสูจน์มาแล้วอย่างน้อยยกมือมาแล้วตั้งแต่ปศุสัตวถึงปีนี้ประมาณกี่ปีนะสามปีไม่น่าเชื่อนะเอามาดูว่าแคบปบเดียวนะสาปีแต่มันสนุกมากเลยยิ่งยกก็ยิ่งสนุกเพออราะเรายิ่งยกก็ยิ่งเห็นตัวเองยกมือนี่เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นตัวเองนะก็ เ, เห็นตัวเองเทั้งแต่หัวจุดเท้า ม, มันมีอะไรบ้างนะเมื่อก่อนอามาไม่เห็นตัวเอง เมื่อไม่เห็นตัวเองเราก็ทําร้ายตัวเองทําร้ายตัวเองทุกวันทายยําร้ายยังไงโกรธไม่พอใจก็ทําร้ายตัวเองแล้วใช่ไหมโกรธแต่ละครั้งเนี่ยเขาบอกว่าหมอเขาบอกว่าอะไรสารอะไรมันหลังนะอดีณารุมารีอะไรไม่รูนะ้นะมื่หลังมาก็เป็นกฏแล้วก็ไปทำร้ายเซลล์ในตัวร่างกายของเราอ่าวันนึงเราทำร้ายตัวเองทั้งหลายครั้งเวลากินอาหารอร่อยๆเนี่ยตามาภาษาคนกินเขาว่าอร่อยก็มีความสุขใช่ไหม รสอร่อยทําร้ายตัวเองเอีกนะีมันต้องอร่อยด้วยสารอะไรหลายหลาอย่างนะอย่างน้อก็สารผงชุรสคึอมารู้ว่าความมาเด็ดอร่อยนั้นก่อให้เกิดความพอใจก็ก็เป็นราคะสั่งสมราคะอีกแต่ถ้าหากว่าไม่กินไม่อร่อยไม่พอใจอีกสั่งสมโพสัอีกนะทีนี้เราก็เลยต้องมาสร้างความรู้สึกตัวเราจะ อร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้แต่ให้รู้สึกตัวว่าเรากําลังอร่อยนะและอร่อยนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงถามตัวเองไปเรื่อยๆไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันคงอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วอร่อยนี่มันจะอยู่ได้นานใครบ้างทานข้าวเนี่ยอร่อยตั้งแต่คําแรกถึงคําสุดท้ายเลยนะมันจะอร่อยสักสิบคาแรกใช่ไหมอ่าสักห้าคำต่อมาก็เกลียแล้วยิ่งหลังๆยิ่งอิ่มแล้วยิ่งไม่อร่อยเลยนะ ดังนั้นเราจะเห็นกฎของความพอใจไม่พอใจนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตลอดเวลาดังนั้นเราจรึงต้องมาสร้างน่ามาสร้างตัวรู้สึกตัว